วันนี้เป็นวันที่พวกเรามารับยารักษาโรคใจกันอยารักษาโรค ใ, ใจนี้ก็คือธรรมโอสถ์นี่เเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสามารถมารักษาโรคใจ ให้หายขาดได้โรกของใจนี้เป็นอย่างไรก็คือความไม่สบายใจต่างๆที่เกิดจากความวิตกกังวลห่วงใย ห, หวาดกลัวไปกับเหตุการณ์ต่างๆไปกับการเสื่อมการสูญเสีย ของสิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆเป็นโรคที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหลนตสาวกทั้งหลายได้รักษาจนหายขาดแล้วจึงได้นำเอาอยารักษาโรคใจนี้มาเผยแปรมาแจกจ่ายให้กับพวกเรา ที่ยังมีโรคใจนี้อยู่ถ้าพวกเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายมาปฏิบัติเราก็จะสามารถรักษาความไม่สบายใจต่างๆให้หมดไปได้อย่างถาวร ไม่มียาชนิดไหนในโลกนี้หรือไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถรักษาความไม่สบายใจให้หายขาดได้อย่างถาวรสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายหรือ ความสุขที่ได้ลาบยศสรรเสริญเป็นการรักษาความไม่สบายใจได้เพียงชั่วคราวแล้วก็นำเอาความไม่สบายใจมาเพิ่มให้มีมากขึ้นไปอีกเพราะสิ่งต่างๆที่เราได้มา บำบัดความไม่สบายใจของเรานั้นก็มีโอกาสที่จะเสื่อมที่จะเปลี่ยนไปได้พอสิ่งที่เราได้ใช้เป็นการบำบัดความไม่สบายใจเสื่อมไปหรือเปลี่ยนไปสิ่งนั้นก็ไม่สามารถที่จะบำบัด ความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นได้แต่กลับทำให้มีความไม่สบายใจเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือธรรมโอสถนี้จะบำบัดความไม่สบายให้หายได้อย่างปิดทิ้งและถาวรนเพราะคำสอน ของพระพุทธเจ้าหรือธรรมโอสฐ์นี้เป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดไปถ้าเราผลิตขึ้นมาไว้ในใจของเราแล้วก็จะอยู่กู้กับใจของเราไปตลอดจะรักษาโรคความไม่สบายใจต่างๆให้หายไปหมด และป้องกันโรคของความไม่สบายใจใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นใหม่อีกธรรมโอสษจึงถือว่าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราที่พึ่งอื่นในโลกนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งชั่วคราวแล้วก็ กลับกลายเป็นที่สร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจให้เพิ่มขึ้นมาใหม่เช่นสิ่งต่างๆที่เราได้มาเวลาเราได้มาใหม่ๆเราจะมีความรู้สึกมีความสุขแต่พอเราได้มาแล้วเราก็จะได้ความทุกข์เพิ่มขึ้นมาใหม่ ทุกที่เกิดจากความผูกพันกับสิ่งที่เราได้มาอะไรที่เป็นของเราแล้วที่เราได้ความสุขแล้วเราก็จะเกิดความอยากให้เขาให้ความสุขกับเราต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่มีวันเสื่อมคลายไม่มีวันหมดไป แต่โดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้เขาไม่ได้เป็นสิ่งที่จะคงเส้นคงวาอยู่เหมือนเดิมไปตลอดเขาต้องมีการเสื่อมไปตามลําดับเวลาเขาเสื่อมไปเวลาที่เขาเปลี่ยนไปก็เป็นเวลาที่เราต้องเสียอกเสียใจ เกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจเพิ่มขึ้นมาใหม่เพราะว่านี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริงหรือลูกเสียงกริรลดโสธภะล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นแปลว่าอานิจจงเรียกว่าอานิจจง แต่ว่าไม่เที่ยวไม่ถาวรมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเวลาที่เราเจริญลาบเราจะดีออกดีใจเวลาที่เราเสื่อมลาบเราก็จะเสียออกเสียใจ เวลาที่เราจเจริญยศเราก็จะดี อ, อกดีใจเวลาที่เสื่อมยศเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจเวลาเราได้สรรเสริญเราก็ดี อ, อกดีใจเวลาเราได้นินทาเราก็เสีย อ, อกเสียใจเวลาเราได้รูปเสียงกิดนรสปตภะที่ถูกอกถูกใจมา เราก็ดี อ, อกดีใจเวลาที่เราเสียรูกเสียงกิิ่นรพุทธปะเราก็เสียอกเสียใจเราพยายามห้ามเขาอย่างไรเราก็ไม่สามารถห้ามเขาได้เพราะเขาไม่อยู่ภายใต้อำนาจคําสั่งคำห้ามของเรานั่นเอง เราไม่มีพลังพอที่จะไปสั่งให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับเราอย่างไม่เสื่อมได้ดังนั้นถ้าเรายังต้องหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะมาบำบัดความไม่สบายใจให้แก่เราเราก็จะ ได้ความไม่สบายใจเพิ่มขึ้นมาในภายหลังในเบื้องต้นเราก็จะได้ความสบายใจได้ความดี อ, อกดีใจเวลาที่เราได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกริรลดโผทพะมาแต่เวลาที่เขาเปลี่ยนไปเวลาที่เขาเสื่อมไป เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เราจะต้องเสียหกเสียใจและเวลาที่เขายังไม่เสื่อมเราก็ยังมีความไม่สบายใจได้เพราะเราก็อดที่จะคิดไม่ได้ว่าเขาจะเสื่อมเมื่อไรเขาจะจากเราไปเมื่อไรเขาจะเปลี่ยนไปเมื่อไรเยงแต่คิดวิตกเหล่านี้ ก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักสิ่งที่จะรักษาความไม่สบายใจให้กับเราได้อย่างแท้จริงนั่นเองถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเราก็จะต้องหาวิธีบำบัิความไม่สบายใจ จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัพเหมือนกับคนทั้งหลายในโลกนี้ทำกันอยู่แต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็จะได้พบกับวิธีรักษาโรคใจคือความไม่สบายใจของเราได้อย่างถูกต้อง และรักษาได้อย่างแท้จริงคือเมื่อเราได้เริ่มเอาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเข้ามาสื่อใจของเราแล้วความทุกข์ใจความไม่สบายใจความวุ่นวายใจต่างๆก็จะลดน้อยลงไปตามลําดับและหมดไปได้ในในที่สุดเมื่อหมดแล้วก็จะไม่มีวันที่จะ โผกลับขึ้นมาใหม่ได้อีกนี่แหละคอือยารักษาโรคใจที่แท้จริงก็คือเพราะก็คื อ, อธรรมโอสฐ์นี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราหมั่นทำทานกันหมั่นรักษาศีลกันหมั่นภาวนากันเพราะ เป็นยาที่จะเข้าไปทําลายเชื้อโรคของใจที่สร้างความไม่สบายใจให้แก่ใจนั้นเองเชื้อโรคของใจก็คือตัณหาความอยากสามประการด้วยกันคือหนึ่งกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาผะภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น วิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือเชื้อโรคที่เราจะต้องทำลายต้องกำจัดให้หมดไปจากใจให้ได้และสิ่งที่จะกำจัดได้ก็คือการทำทานการรักษาศีลและการภาวนานเนี่ ดังนั้นเวลาที่เราทําทานเราจึงควรจะทําความเข้าใจว่าเราทําทานนี้เพื่อทําลายความอยากตัวใดตัวหนึ่งเช่นกามวัฏัหาภาวะจันหาหรือรหรือวิภวะตันหาเราไม่ได้ทําทานเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นอย่างที่คนเ ที่ไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้จะเข้าใจกันคือมักจะคิดว่าการทำทานจะทำให้มีรายได้มีความร่ำรวยมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นานิสงของการทำทานเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นผล ที่จะเกิดขึ้นภายในชาตินี้เลยคือมันไม่ได้เป็นผลแบบปัจจุบันทันด่วนแต่เป็นผลที่จะตามมาเวลาที่ยังเวลาที่กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทานที่เราทำไว้ก็จะมาหาเราเหมือนกับเงินทองที่เราฝากไว้ในธนาคาร เราสามารถที่จะเบิกเอามาใช้จ่ายได้เวลาที่เราต้องการจะใช้จ่ายเป็นคนที่ทำทานมากๆในพบนี้ชาตินี้ชาติหน้าเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเกิดมาร่ำมารวยอย่างนี้เป็นผลที่เป็นไปได้อย่างพระเวชสันดร ที่ได้ทำทานอย่างโมโหลานพอรวลาท่านตายไปท่านก็ไปรับผลในสวรรค์ก่อนไปเหมือนกับได้ไปท่องเที่ยวในโลกที่หลังจากท่องเที่ยวเสร็จแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มาเกิดเป็นาราชโอรสเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ มีทรัพย์สมบัติมากมายเช่นมีภาษาสามฤ ด, ดูมีบริษัทธ์มีบริวารมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆให้เสพอย่างไม่อั้นอยากจะเสพอะไรก็สามารถเสพได้อย่างเต็มที่อันนี้เป็นผลปล่อยได้จากการทำทาน ผลหลักนี้ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ผลหลักก็คืออยู่ที่การตัดตันหาความอยากเช่นถ้าเราอยากจะเอาเงินไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผลพระมาเสกเช่นไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานเราก็เอาเงินนี้ไปทำทานแทนเอาไปช่วยเหลือผู้อื่น ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนขาดแคลนให้เขาได้มีความสุขบ้างเราก็ได้สกัดตัณหาความอยากคือกามตัณหาไม่ให้แผงลิดไม่ให้เจริญงอกงามเติบโตแต่เป็นการตัดการเจริญเติบโตของตัณหาคือกามตัณหานี้ให้เบาบางลงไป ถ้าเราทาอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เราอยากจะไปใช้เงินเพื่อเสบรูปเสียงเกิดลดผทัพะต่อไปความอยากจะไปเสบรูปเสียงผลทัพนี้จะน้อยลงไปจะเบาลงไปนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของการทําทานไม่ได้ทําทานเพื่อให้ร่ำให้รวย ว่าเราไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดใหม่การทำลายตันหานี้เป็นการทำลายต้นตอของภพชาติต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเราไม่ได้ทำเพื่อที่เราจะได้กลับมาล่ำ ม, มารวยเพราะว่าถึงแม้จะล่ำรวยขนาดไหนก็ตามก็ยังต้องพบกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายอยู่เหมือนกัน จะเป็นคนมหาเศรษฐีหรือเป็นคนจนเป็นคนขอทาน<ม>ก็ทุกข์เหมือนกันในเรื่องของความแก่ในเรื่องของความเจ็บและในเรื่องของความตายดังนั้นการทำทานจึงไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ให้กลับมาเกิดร่ำรวยขึ้นกว่าเดิมแต่ในระหว่างที่เรายังต้องกลับมาเกิดอยู่มันก็ จะช่วยเราได้ช่วยให้เราได้มีโอกาสได้ทำบุญตัดความอยากเพิ่มมากขึ้นและทำให้เราได้ไปถึงการที่เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไป mm hmm. เช่นเจ้าชายเสด็ทัตถะถึงแม้ว่าจะมีมีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองแต่ ใจของท่านก็ไม่ได้มีความยึดติดกับทรัพสมบัติกับความสุขเหล่านั้นเพราะท่านพุ่งเป้าไปที่การยุติการเกิดแก่เจ็บตายเป็นหลักพอท่านได้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชท่านก็รู้ว่า สิ่งที่จะท่านท่านจะต้องทําต่อไปนั่นคืออะไรคือท่านจะต้องสละทรัพย์สมบัติต่างๆที่ด้านได้มาเพื่อที่จะได้ออกบําเพ็ญเป็นนักบวชเพราะการเป็นนักบวชเท่านั้นที่จะสามารถบํเาเพ็ญธรรมะที่จะทําให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ พอถึงเวลาท่านก็สามารถที่จะสละราชสมบัติได้อย่างง่ายดายเพราะว่าท่านไม่ได้ทำทานเพื่อที่จะให้ได้ความร่ำรวยท่านจึงไม่ได้มีความยึดติดอยู่กับความร่ำรวยท่านทำทานเพื่อตัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตาย ก็รูแล้วว่าถ้าท่านยังหลงอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายอยู่ต่อไปท่านก็จะแก่ลงไปแล้วก็จะเจ็บแล้วก็จะตายไปท่านก็จะไม่สามารถที่จะออกบามเห็นเพื่อตัดความอยากที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้ พอท่านถึงเวลาท่านก็เลยออกบวชออกมารักษาศีลของนักบวชคือตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปการถือศีลแปดนี่ก็เป็นการตัดความอยากเหมือนอีกอย่างอีกอีกวิธีหนึ่งคือการตัดการมตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลัทเช่นศีลข้อที่สามที่เคยรักษาปตกาเม ก็จะเปลี่ยนเป็นอ布拉มัตริยาการเมนี่ก็คือการเสพการามนี่เองการเสพการามกับคู่ครองของตนยังอยู่ในขอบเขตของศีลห้ายังไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาปแต่ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมตันหาความอยากให้มีอายุยืนยาวนานต่อไปทำให้มีพบชาติตามมาอยู่เรื่อย ถ้าอยากจะตัดพบตัดชาติตัดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องตัดการเมคือการเสดการการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นถึงแม้ว่าจะเป็นสามีของตนหรือภรรยาของตนก็จะไม่เสดถ้าไม่อยากที่จะกลับมาเกิดใหม่เพราะการมะทงหาการเสดการนี้จะเป็นตัว ผักดันื้ือฉุดลากจิตใจให้กลับมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือในการเสพกามนี้ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาการดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นที่จะต้องถือศีลพรหมจรรย์คือละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่น นี่ก็เป็นข้อศีลเป้าหมายของศีลก็เพื่อตัดกามตัณหานี้ศีลข้อก็เช่นเดียวกันตัดความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางอาหารและเครื่องดื่มต่างๆมันก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลถะที่อีกรูปแบบหนึ่งตามจากการเสพกามจากการร่วมหลับนอนอันนั้นก็เสพอีกแบบหนึ่ง แต่ก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันการรับประทานจึงต้องรับประทานเพื่อดูลารักษาร่างกายเพียงเท่านั้นไม่ได้รับประทานเพื่อการมาตัญหาเพื่อความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสจึงต้องมีการมีมาตรการแยกแยะว่ารับประทานแบบนี้เป็นการรับประทานเพื่อร่างกาย รัประทานอีกแบบหนึ่งนี้เป็นการรับประทานเพื่อกามมาตัญหาเช่นถ้ารับประทานเพื่อร่างกายการรับประทานเพียงวันละหนึ่งครั้งก็พอหรือถ้าในสิงนแปบบท่านก็อนุ ญ, ญาตให้รับประทานถึงเที่ยงวันแต่รับประทานเพื่อร่างกายเพราะว่าการให้อาหารกับร่างกาย ครั้งหนึ่งหรือถึงถึงเที่ยงวันนี้ก็พอพอเพียงต่อการดำรงชีพทำให้ร่างกายนี้อยู่ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารมื้อเย็ยนมื้อค่ำหรือมื้อดึกถ้ารับประทานแบบนั้นเรียกว่ารับประทานตะเพื่อความอยากไม่ได้รับประทานเพื่อร่างกาย ดังนั้นถ้าจะรับประทานเพื่อร่างกายก็ต้องถือศีลข้อที่หกนี้รับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อดอยากขาดแคลนแต่ถ้ารับประทานแบบศีลห้าคือรับประทานแบบไม่มีขอบมีเขตอย่างนี้ยังถือว่าเป็นการรับประทานเพื่อส่งเสริมกามาตัญหาให้มีกําลังมากขึ้น ให้มาคอยฉุดลากจิตใจให้กลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนี่ก็คือสินแปดสินข้อที่หกสินข้อที่เจ็ดก็เช่นเดียวกันก็มีไว้เพื่อกำจัดการมตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลเสพติอีกรูปแบบหนึ่งก็เกี่ยวกับพวกบันเทิงต่างๆ ม, มหรสบต่างๆ และความสวยความงามของร่างกายอันนี้ก็เป็นการเสพการอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเราไปดูภาพยนตร์ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดื่มไปรับประทานอาหารในยามค่ำคืนไปงานเลี้ยงงานอะไรต่างๆอ่าอนี้ก็ถือว่าเป็นการไปเสพการมารตันหา หรือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามมิจิตพิศดารเสริมสวยร่างกายด้วยเครื่องสมอางชนิดต่างๆเพื่อให้ร่างกายดูสวยงามอันนี้ก็เป็นการเสริมการมรตฐหาผู้ที่ต้องการที่จะตัดการมรัฐาาก็ต้องลดการเสพ รูปเสียงกล็ดลดในรูปแบบต่างๆเหล่านี้ออกไปและการเสพการแบบสุดท้ายก็คือการหลับนอนมากเกินความจําเป็นหรือมากเกินความต้องการของร่างกายนั่นเองก็เหมือนกับการรับประทานอาหารมากเกินกว่าที่ร่างกายจะต้องการการหลับนอนมากเกินไปกว่าที่ร่า ง, างกายต้องการก็เป็นการเสพการอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นเวลาเราง่วงนอนนี้ถ้าเรานอนร่างกายนี้ก็จะพักประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาเพราะร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างพอเพียงแล้วแต่ถ้าเรานอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกนนหนาๆเหมือนนอนบนเมฆนอนบนสวรรค์เวลาตื่นขึ้นมาร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วแต่การมาตัญหาความอยาก เสพความสุขเสพความสบายจากการหลับนอนก็จะทำให้เราไม่อยากจะลุกขึ้นมาเราก็จะนอนต่อไปอีกหลายชั่วโมงทำให้เราสูญเสียเวลาอันมีค่าที่เราจะเอามาใช้ในการทำลายตัณหาทั้งสามให้หมดไปด้วยการปฏิบัติทำ คือการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เองถ้าเรานอนหลับกินมากๆเวลานั่งสมาธิเวลาปฏิบัติธรรมก็จะง่วงเหงาหานอนจะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะปฏิบัติอยากจะนอนเพียงอย่างเดียวพอนอนแล้วก็อยากจะนอนมากๆถ้าเราไม่ถือศีลแปดเนี่ เราจะไม่สามารถปฏิบัติสมถภ า, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้เป็นกรอบเป็นกรรมปฏิบัติได้ก็เพียงผิวเผินพอหอมปากหอมคอนั่งสมาธิสักยี่สิบนาทีสาสิบนาทีก็ง่วงนอนเลิกไม่อยากจะนั่งอยากจะนอนแทน ถ้าฝนตกหนักมีเสียงดังมากก็จะต้องยุติการแสดงธรรมชั่วกลาวแล้วฟังเสียงฝนเป็นเสียงธรรมะแทนไปก่อน เ, เสียงธรรมะกับเสียงธรรมชาตินี่ถ้ามาชนกันแล้วก็จะฟังไม่รู้เรื่องรู้ฟังเสียงธรรมชาติเป็นเครื่องกล่อมใจไปแทนก่อนฟังเอาเสียงฝนนี้เป็น พุโทโธแทนไปก็ได้ก ำ, ำหนดจิตอยู่กับเสียงฝนไปควบคุมจิตอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้พูดถึงเรื่องของการรักษาสิ้นแปดการรักษาสิ้นแปดก็มีเป้าหมายอยู่ที่การกำจัดหรือตัดกำลังของตันหาความอยาก เช่นการมตัณหาให้เบาบางลงไปให้น้อยลงไปพอตัณหามีกำลังน้อยลงไปใจก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นใจจะมีกำลังที่จะกินยาระดับที่สูงขึ้นไปกว่าขั้นสีนก็คือยาระดับขั้นส ม, มถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนานั่นเอง ถ้าเราไม่มีศีลแปดนี้เราจะไม่มีกำลังพอที่จะมาปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้อย่างเข้มข้นได้อย่างต่อเนื่องแล้วปฏิบัติได้เพียงพอหอมปากหอมคอเช่นถ้าเราถือศีลห้าเรารับประทานอาหารเย็น เวลานั่งสมาธิหลังจากที่ก่อนที่เราจะไปนอนนี้ก็จะนั่งได้เดี๋ยวเดียวหรือนั่งไม่ได้เลยถ้าเราไปดูพวกหมหรสบและเครื่องบันเทงต่างๆจนดึกพอถึงเวลาหลับนอนก็จะอยากจะนอนเลยจะไม่มีกจิตกระใจที่อยากจะมาเจริญสมถะภาวนาได้ ดังนั้นเราต้องอรักษาศีลแปดให้ได้ถ้าเราอยากจะบำเพ็ญสมถ ภ, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมต้องมีศีลแปดช่วยสนับสนุนเพราะถ้าเรามีศีลแปดเราก็จะกาจัดเรื่องอ ความง่วงเหงาหานอนได้เราจะมีเวลามาบาเพ็ญได้เพราะเราไม่ต้องไปดูมารสอบไปดูพวกบันเทิงต่างๆเราจะไม่หลับนอนมากจนเกินไปเราก็จะมีเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปแล้วจนถึงเวลาที่เราหลับนอนคือประมาณสักสี่ทุ่ม แล้วเวลาหลับนอนก็จะหลับเพียงสี่ห้าชั่วโมงถ้าหลับสี่ทุ่มตีตีสองตีสามก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็จะมีเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมไปจนถึงสว่างถ้าเราไม่รักษาศีลแปดเราก็จะไม่มีเวลาอย่างนี้กว่าจะเราจะมีเวลามานั่งสมาธิก็ต้องหลังจาก รับประทานอาหารค่าไปแล้วแล้วหลังจากรับประทานอาหารค่มถ้าเรายังติดอยู่กับการดูทีวีดูมหรัรสยก็จะยาวไปถึงสี่ห้าทุ่มพอถึงสี่ห้าทุ่มก็อยากจะนอนเสียแล้วพอนอนก็นอนมากกว่าสี่ห้าชั่วโมงร่างกายตื่นขึ้นมาตอนตีสองตีสามแต่อยากจะนอนต่อ ก็นอนไปถึงสว่างเลยแล้วก็มาบ่นว่าไม่มีเวลาปฏิบัติเลยจะมีเวลาได้อย่างไรถ้าเราไม่กําหนดเวลาของการปฏิบัติขึ้นมาถ้าเราไม่กําจัดสิ่งที่มาฉุดลากเอาเวลาของเราไปการรักษาสินแตนี้จะดึงเวลาอันมีค่าให้เราได้มี เอามาใช้กับการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้เพราะเราปฏิบัติสมถภาวนาได้ใจของเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงพบกับความดับทุกข์ที่แท้จริงเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายที่เราเคยได้รับมาจากการเสพ รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะจากการได้ลาบยศสรรเสริญได้อะไรต่างๆมามากมายกายกองแต่มันไม่ได้ทำให้มีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจเหมือนกับการได้จากความสงบนี้เลยเพอเราได้ความสุขแบบนี้แล้วเราจะมีกำลังที่จะต่อต้านความอยากต่างๆได้ เวลาเกิดความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสเวลาเกิดความอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นเราจะหยุดมันได้ถ้าเรายังไม่มีปัญญาเราก็ใช้สมถะหรือสมาธินี้หยุดไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้เวลาเกิดความอยากเราก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบ พอใจให้สงบพอใจสงบแล้วความอยากต่างๆก็จะหายไปเพียงแต่ว่ามันไม่หายไปอย่างท้าวอนมันหายไปเฉพาะเวลาที่ใจสงบเท่านั้นพอออกจากความสงบมาพอมาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากตามมาทันทีถ้าเราอยากจะกําจัดความอยากให้หมดไป อย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือสอนใจให้เห็นความจริงว่าความสุขที่เราคิดว่าเราจะได้จากการกระทำตามความอยากนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้เพราะสิ่งที่เราได้มานั้นจะต้องมีวันเปลี่ยนไปจะต้องมีวันเสื่อมหมดไป เวลาที่เขาเปลี่ยนเวลาที่เขาเสื่อมเวลานั้นความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากก็จะหายไปแล้วก็จะได้ความทุกข์กลับคืนมาใหม่ถ้าเห็นอย่างนี้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพัพระหรือลา บ, บยศสรรเสริญถ้าเราเห็นว่าเขาไม่เที่ยง เป็นอ น, นิจจัง mm. เขาเป็นอนัตตาก็คือเราไม่สามารถไปปกป้องรักษาให้เขาดีให้เขาไม่เสื่อมได้ mm. ถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เราก็จะไม่ทำตามความอยากได้เพราะรู้ว่าการทำตามความอยากนี้จะไม่ได้เกิดผลที่เราต้องการ mm. ก็คือการดับความทุกข์อย่างถาวรน การได้ความสุขมาอย่างถาวรต่เป็นการได้ความทุกมาแทนที่เราคิดว่าเราจะได้ความสุขเราก็จะเห็นว่าความสุขที่เราได้นี้เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เคลือบหรือหุ้มห่อความทุกไว้ความสุขนี้เป็นเหมือนเปลือกส่วนความทุกนี้เป็นเหมือนเนื้อ เหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลความสุขที่เราได้จากการทำตามความอยากต่างๆนี้เป็นเหมือนน้ำตาลที่เคลือบยาขมเป็นความสุขผิวบางๆพอไม่นานมันก็จางหายไปแล้วก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาแทนที่ถ้าเราเห็นอย่างนี้ด้วยปัญญาแล้วเราก็จะสามารถ ําลายตัณหาความอยากทั้งสามประการนี้ได้อย่างถาวรทุกครั้งที่เกิดกามตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาเราจะรู้เลยว่าทําไม่ได้ทําไปแล้วจะทุกข์มากกว่าเดิมสุขที่ได้ได้เพียงเดี๋ยวเดียวแล้วก็หมดไปสู้สุขที่ได้จากการไม่ทําตามความอยาก ก็คือตั้งอยู่ในอุเบกขาอยู่ในความสงบนี้ดีกว่านี่คือการกําจัดตัณหาที่เป็นเชื้อโรคของใจให้หมดไปได้อย่างถาวรพอไม่มีตัณหาทั้งสามนี้อยู่ภายในใจแล้วใจจะไม่มีวันทุกข์อีกต่อไปคำว่าความไม่สบายใจนี้จะไม่มีในใจ ของพระพุทธเจ้าในใจของพระอาหารหันต์เลยเพราะว่าเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนั้นมันไม่มีแล้วมันหมดไปมันถูกทำลายไปหมดแล้วเหมือนกับร่างกายที่ทำลายเชื้อโรคที่ทำให้ไม่สบายได้เช่นตอนนี้มีเชื้อโรคอีบุลา เดี๋ยวนี้เขาก็มีวิธีหรือเขาได้ค้นพบวิธีรักษาเช่นมีหมออยู่สองคนที่ติดเชื้อแล้วเขาก็ทดลองใช้ยาที่เข้าไปฆ่าเชื้อตัวนี้ก็รักษาอยู่ประมาณสักสองสามอาทิตย์ตอนนี้ร่างกายของเขาไม่มีเชื้อโรคนี้เหลืออยู่แล้วเขากลับบ้านได้แล้วเมื่อก่อนเวลารักษานี้ต้องอยู่ในโรงพยาบาล อยู่ในห้องพิเศษห้องป้องกันไม่ให้เชื้ อ, อไปแพร่ให้แก่ผู้อื่นแต่พอเขาใช้ยานี้เข้าไปทำลายเชื้อในร่างกายได้หมดแล้วตอนนี้เขากลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวเขาได้เป็นปกติแล้วเชื้ออีโบลาไม่มีอยู่ในร่างกายเขาอีกต่อไปร่างกายเขาจะไม่ตายจากเชื้อเชื้อโรคนี้อีกแล้ว เช่นเดียวกันกับใจของพวกเราถ้าเราน้อมเอาธรรมโอสถคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบัติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจไม่ช้าก็เร็วเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้คือกามตันหาภาวะตันหาและวิภววิภวตันหานี้ก็จะถูกทำลายไปหมด พอถูกทำลายไปหมดแล้วก็จะไม่มีโรคภยครัยไข้เจ็บติดต่อไปคำว่าวิตกกังวลห่วงใยหวาดกลัวอะไรต่างๆเหล่านี้จะไม่มีอยู่ภายในใจใจจะมีแต่ความสุขใจสบายใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งใดก็ตามจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่เกิด ความทุกข์เดือดร้อนแต่อย่างใดจะเกิดกับร่างกายของคนที่เรารักเช่นร่างกายของบิดามารดาปุยญาตายายสามีภรรยาบุตรธิดาญาสนิทฐ์นิสหายก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรจะเกิดขึ้นกับของตนเองก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าใจไม่มีตัณหาความอยากให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ อยู่กับตนไปตลอดเพราะเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าเขาต้องมีวันจากเราไปแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้การไปอยากให้เขาไม่จากการไปอยากให้เขาอยู่นี่เป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาให้กับใจพอเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะตัดความอยากเหล่านี้ออกไปทันทีแล้วใจก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาหาร่างกายอันใหม่มาแบกอีกเหมือนกับที่เรากําลังแบกร่างกายของเราอยู่ตอนนี้ตอนนี้เราแบกร่างกายด้วยการที่ต้องคอยดูแลเลี้ยงดูตั้งแต่เต่นขึ้นมานี้เราก็ต้องดูแลร่างกายนี้เข้าห้องน้ำห้องท่าดื่มน้ำรับประทานอาหาร หายใจทำอะไรต่างๆนี้ก็ทำเพื่อร่างกายอันนี้นั่นเองเพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายนี้ไปทำเพื่อความอยากอีกต่อหนึ่งพอเราดูแลร่างกายเสร่างกายแข็งแรงเราก็ออกไปหาเงินหาทองหาเงินหาทองเพื่อที่เราจะได้เอามาให้กับตันหาความอยากเรานั่นเอง เวลาเราอยากได้อะไรอยากซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ก็ซื้อมาอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ก็ซื้อมาซื้อมาแล้วมันเป็นยังไงความทุกของเราน้อยลงไปหรือเปล่าความอยากของเราน้อยลงไปหรือเปล่าถ้ามันน้อยลงไปวันนี้ป่านนี้มันต้องหมดแล้วเพราะเราซื้อมันมาตั้งแต่เรามีเงินมีทองพอเรามีเงินปับเราก็ซื้อของตามความอยากเราทันที อยากได้อะไรเราก็ซื้อกันมาตลอดเวลาแล้วความอยากที่มันมีอยู่ในใจของเรานี้มันมันน้อยลงไปมันหดหายไปหรือเปล่าหรือมันกลับมีมากเพิ่มมากขึ้นไปเมื่อก่อนนี้ใช้เงินวันล ะ, ะ20บาทก็พอใช้แต่เดี๋ยวนี้ใช้วันละ 2,000 ก็ไม่พอใช้ถ้ามีมากกว่านั้น 20,000 ก็ไม่พอใช้เป็นเพราะอะไร มันเพราะว่าความอยากนี้มันไม่ลดน้อยลงไปตามตามการกระทำตามความอยากมันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราอย่าไปทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากนี้เป็นเหมือนการเพิ่มเชื้อโรคของความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้นทำให้ใจของเรานี่มีทุกข์มากขึ้น ทุกนถึงวันหนึ่งนี้เราเผชิกับต้องฆ่าตัวตายอันนี้เพราะว่าเราไม่ควบคุมความอยากเอาไว้ปล่อยให้ความอยากมันขยายตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันใหญ่โตโมโหลานจนที่เราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของมันได้เพราะเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของความอยากได้มันก็สั่งให้เราฆ่าตัวตาย ดังนั้นขอให้พวกเราจงเห็นโทษของตัณหาความอยากทั้งสามประการนี้ทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมานี่เราต้องเอาธรรมโอสถมาบำบัดมันทันทีทุกครั้งจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งๆ ท, ท, ที่มีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้แล้วก็เอาเอ า, เอาเงินที่จะซื้อเสื้อผ้านี้ไปทําทานเสียหรือถ้าจะซื้อก็ซื้อแล้วก็เอาไปให้คนอื่น เช่นวันเกิดของพ่อของแม่ก็ซื้อแล้วก็เราชอบเสื้อผ้าชุดไหนอยากจะได้อยากจะซื้อก็ซื้อซื้อแล้วก็เอาไปให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้เพื่อนให้สามีให้ภรรยาให้ใครก็ได้ให้ขอทานข้างถนนก็ได้สงสารเขาเห็นเขาใส่เสื้อผ้าขาดขาดซื้อเสื้อผ้า ส, สวยๆให้เขาซักชุดหนึ่งนั่งนั่งขอทาน อันนี้ถ้าเราทำนี้เราก็จะทำลายตันหาความอยากของเราลงไปเพราะเราไม่ทำตามความอยากเราไม่ได้ทำทาเพื่อเราถ้าเราทำตามความอยากแต่ไม่ได้ทำเพื่อเราทำเพื่อผู้อื่นนี้ไม่เสียหายเช่นเราอยากให้ผู้อื่นเขามีความสุขเราเห็นขอทานนั่งอยู่ที่ข้างถนนเราก็าไปในร้านอาหาร เราก็สั่งอาหารแล้วก็เอาอาหารที่เราจะรับประทานนี้มาให้ขอทานกินแทนเราจะอดสักมือ้อนึงเพื่อรักษาหุ่นเราตอนนี้ความจริงร่างกายเราก็มีน้ําหนักมากเกินไปอยู่แล้วการอดอาหารมือสองมื้อนี้ไม่ตายหรอกเป็นประโยชน์กับเราทําให้น้ําหนักลดลงแล้วทําให้เราได้บุญได้กุศลได้ตัดท่านปัญหาความอยากได้สร้างมิตรขึ้นมา คนจนคนนี้คนขอทานคนนี้เกิดวันดีคึ้นดีเขาเริ่มรวยขึ้นมาเขาแล้วเขามาเจอเราตกทุกข์ได้ยากเขาก็จะยินดีที่จะช่วยเหลือเรานี่คือสิ่งที่เราจะได้จากการทำทานได้หลายอย่างได้ทำลายเชื้อโรคของความทุกข์ใจแล้วก็ได้สร้างมิตรภาพได้สร้างเพื่อน และวันไม่ไม่แน่ในวันข้างหน้าเวลาตกทุกข์ได้ยากนี้บุญที่เราทำไว้มากจะมาดูแลเราต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราใช้สติปัญญาเวลามีความอยากนี้ต้องใช้ธรรมโอรสเตรียมยาเอาไว้เราต้องเตรียมยาไว้ก่อนถ้าเราไม่เตรียมยาไว้ถึงเวลาเราจะใช้ไม่ได้ การเตรียมยาก็คือการปฏิบัติไปเรื่อยๆก่อนทำทานไปเรื่อยๆก่อนรักษาศีลไปเรื่อยๆก่อนภาวนาไปเรื่อยๆก่อนถึงแม้ว่าจะไม่มีความอยากเกิดขึ้นในตอนที่เรากระทำเราก็ทำไปพอเรามีทานมีศีลมีภาวนาก็เท่ากับมียาอยู่ภายในใจของเราพอเวลาเกิดความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก ข้อใดข้อหนึ่งเราก็สามารถเอาทานศีลภาวนาที่เราได้บําเพ็ญ น, นี้มาดับความทุกข์ได้เลยเหมือนกับเตรียมน้ำดับไฟไว้นั่นเองถ้าเราไม่มีน้ำเตรียมไว้ก่อนเวลาเกิดไฟไหม้เราจะไม่มีน้ำมาดับไฟแต่ถ้าเราเตรียมน้ำไว้ในตุ่มไว้ในถังพอเกิดไฟไหม้เราก็สักน้ำมาดับไฟได้ อันใดความทุกข์ใจของเราก็เหมือนกันตอนนี้เราอาจจะไม่มีความทุกข์ใจมากแต่เราอย่าประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้านี้เราจะไปเจอความทุกข์ใจแบบไหนขนาดไหนก็ได้แล้วถ้าเรามียามีน้ำมียาที่จะมาทาลายมีธรรมะมาทาลายต้นเหตุของความอยากได้ เราก็จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปวันข้างหน้าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายกันเรามีธรรมะที่จะมาดับความทุกข์ที่เกิดจากความความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายกันด้วยอย่างเราพร้อมที่จะแก่อย่างสบายใจห้ืยอย่าง เราพร้อมที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างสบายใจหรือยงังเราพร้อมที่จะตายอย่างสบายใจเรือยงนี่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจถึงแม้ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นในวันนี้มันต้องเกิดขึ้นแน่ๆเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเวลาเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับเวลาเกิดไฟไหม้แล้วเราไม่มีน้ํา ไว้มาดับไฟนั่นเองแต่ถ้าเรามีน้ำพอเกิดไฟปับ๊บเราก็ดับมันได้ถ้าเรามีธรรมโอสดอยู่ภายในใจเราพอเวลาเราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายไม่สามารถรักษาให้หายได้มีโอกาสที่จะตายได้ภายในสามวันเจ็ดวันหรือสามเดือน อันนี้เราจะทําอย่างไรถ้าเรามีธ ร, รมโอสถเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่เดือดร้อนเรายังจะอยู่ไปอย่างปกติไปจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตได้เลยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าการตายนี้ก็ไปเหมือนกับการนอนหลับไปนี้เองความจริงเราก็ตายกันทุกวันเวลาเราน อ, นอนหลับนี้ก็เหมือนกับเราตายไปชั่วคราว าเวลานั้นเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายทำอะไรทำไมเราไม่กลัวกันตอนที่เรานอนหลับเพราะเรารู้ว่าเรายังจะตื่นขึ้นมาได้นั่นเองเราถึงไม่กลัวกันแต่พอเราเห็นคนที่ตายแล้วเขาตายแล้วไม่ตื่นนี่เราก็เลยกลัวความตายกันแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวมันก็เป็นเหมือนกับการนอนหลับไป แล้วก็ไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่นั่นเองเราเตนขึ้นมาใหม่ก็ได้ร่างกายออกเวลาคลอดออกมาจากท้องแม่ก็เต่นขึ้นมาใหม่ได้ร่างกายอันใหม่แต่มันก็ยังไม่ดีเท่ากับการไม่กลับมาเกิดการการกลับมาเกิดก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกแต่อย่างน้อยถ้าเรารู้ความจริงอันนี้ว่าความตายของเรานี้เป็นการเปลี่ยนร่างกาย เป็นการนอนหลับไปพอเราตื่นขึ้นมาเราก็จะได้ร่างกายอันใหม่ดีกว่าร่างกายอันเก่าเหมือนกับสมัยนี้เวลาคนเข้าเปลี่ยนอวัยวะเช่นเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตเขาก็ต้องถูกดมยาสลบก็เหมือนนอนหลับไปพอหมอเขาเปลี่ยนหัวใจให้แล้วปววเปลี่ยนอวัยวะให้แล้วพอตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับได้ร่างกายอันใหม่ ร่างกายที่เจ็บไายได้ป่วยก็กลับมามีกําลังวังชามีมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ก็เหมือนกับการเกิดใหม่ฉะนั้นใดเวลาเราตายไปแล้วเรากลับมาเราได้ร่างกายของเด็กทารกก็เป็นการกลับมาเกิดใหม่เป็นการเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ซึ่งเราก็เปลี่ยนมานับไม่ถ้วนแล้วร่างกายที่เรามีอันนี้ไม่รู้เป็นอันดับที่กี่ล้านแล้ว แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมลงไปมันก็ต้องหมดสภาพไปพ อ, อหมดสภาพไปถ้าเรายังมีความอยากอยู่เราก็ไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่เยงแต่ว่าจะดีกว่าเก่าหรือเร็วกว่าเก่านี้มันอยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่เราทำไวในชาตินี้นั่นเองถ้าเรากินยาธรรมโอสถอยู่ตลอดเวลาเราจะได้ร่างกายที่ดีกว่าเก่าไปเรื่อย จนถึงวันที่เราไม่ต้องมีร่างกายต่อไปถ้าเราไม่ทําบุญไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมเราจะได้ร่างกายที่แยก่กว่าเก่าแทนที่จะมาเป็นม น, นุษย์เราก็ไปเป็นนกเป็นกาเป็นสุนัขเป็นแมวไปแทนเพราะนี่คือผลที่เกิดจากการไม่ทําทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนานั่นเอง ดังนั้นพวกเราจึงมีทางเลือกกันภพชาติของเรานี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองของมันเองมันเกิดขึ้นจากการกระทาของพวกเรากันถ้าพวกเราทาตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะได้ภพชาติที่ดีขึ้นไปตามลาดับจนถึงภพชาติที่สูงสุดก็คือภพของพระพุทธเจ้าภพของพระอาหารหันตสาวก เป็นภพที่ไม่มีการที่จะต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปถ้าเราไม่ทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ภพชาติของเราก็จะขึ้นขึ้นลงๆงไปตามกำเนะไปตามกําลังของบาปบุญที่เราทําไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติบาปบุญที่เราทํามันก็จะเป็นไปตามอารมณ์ของเราวันไหนเราอารมณ์ดีเราก็จะทําบุญ วันไหนอารมณ์ไม่ดีเราก็จะทําบาปภพชาติของเรามันก็เลยสูงสูงต่ตําๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวควบคุมอารมณ์ไม่ปล่อยให้เราทําตามอารมณ์ให้เราทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือให้ทําดีทุกวันทําทานทุกวันรักษาศีลทุกวันภาวนาทุกวัน เราก็จะกำหนดภพชาติของเราให้ดีขึ้นไปตามลาดับได้ให้มีแต่สูงขึ้นไปจเจริญขึ้นไปมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงความสุขที่สูงสุดได้ถึงปรมังสุขขังได้ถึงนิบบานังปรมังสุขขังได้จากการที่เราน้อมเอาคาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ นี่แนหะคือเรื่องของการมารับธรรมโอสถมารับยารักษาโรคใจของเรามากําจัดเชื้อโรคคือตัณหาทั้งสาได้แก่กามตันหาความอยากในการภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้หมดไปจากจิตจากใจของเรา ให้ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจมีแต่ความสุขอยู่ภายในใจของเราไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเป็นผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราน้อมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้นจนกระทั่งเราสามารถไปถึงจุดสูงสุดได้ แล้วเราก็ไม่ต้องมีการปฏิบัติอีกต่อไปเหมือนกับการรับประทานยาพอรักษาโรคหายแล้วยาก็หมดความหมายไม่ต้องกินยากยต่อไปฉันใดพอใจของเราได้ทำลายเชื้อโรคทั้งสามให้หมดไปจากใจแล้วไม่มีความทุกข์หลวงเหลืออยู่ภายในใจแล้วเราก็ไม่ต้องทำทานไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องภาวนาอีกต่อไป เพราะการทำทานการรักษาศีลการภาวนาก็เป็นเหมือนกับการรับประทานยานี่เมื่อไม่มีเชื้อโรคแล้วการรับประทานยาก็ไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเรานอกจากเกิดประโยชน์กับผู้อื่นคือถึงแม้พระเจ้าจะบรรลุแล้วป้าอรหันจะบรรลุแล้วท่านก็ยังทำทานท่านก็ยังรักษาศีลอยู่แต่ท่านไม่ได้ทาเพื่อตัวท่านเองท่านทาเพื่อสงเคราะห์โลก เช่มีเงนินมีทางที่มีญาติโยมถวายมาท่านก็เอาไปทําประโยชน์ช่วยเหลือสังคมไปสร้างโรงพยาบาลไปสร้างโรงเรียนหรือไปสร้างอะไรต่างๆต่อไปท่านไม่ได้ทําเพื่อรักษาโรคใจของท่านอีกแล้วเพราะว่าไม่มีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่ภายในใจแต่เมื่อยังมียาเหลืออยู่ก็เอาไปแบ่งให้คนที่เขาเดือดร้อนจะได้รับประโยชน์จากยานี้ต่อไปเท่งนั้นเอง ดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามรับประทานยา น, นี้อย่างต่อเนื่องอย่าท้อถอยอย่าหยุดรับรับประทานไปจนกว่าโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจของเราจะหายหมดไปจะไม่มีคําว่าไม่สบายใจหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วเท่านั้นเราถึงจะหยุดรับประทานยานี้ได้การแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาเลวะหาปุราปารุปเรนติสักังเอวเมวะอิตตินังเปตานังอุ ป, ปการปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจโตสะเพปเรนตุสังกปา ฉันทุปนาราโสยธามณิจติระโสยธาสพิติโยวิวัชฉันทุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิศลิจังวุฒาปจายโน ยตาโรธมาวทานติอายุวโนสุขังภาลัง ในลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมะท่านผู้ใดถ้าอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เพื่อผู้อื่นจะได้ยินเสียงคำถามด้วยถ้าไม่มีเดี๋ยวจะใหะ้คุณต่อช่วยถามปัญหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตมามีารครับงไม่มี ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระจารุชาติพิชาโตและกลุ่มธรรมะบนเขานะครับคำถามข้อแรกจากาคุณชุมพรดำรงนะครับปกติได้พยายามดูโลกธรรมแปดให้บ่อยๆเพื่อที่จะให้ใจนั้นเบาสบายแต่พิจารณาไปก็ไม่เห็นอาการอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ทำไป ตามพระอาจารย์ที่ได้เมตตาชี้แนะแนวทางนั้นเดือนตุลาคมนี้ข้าราชการหัวหน้าจะให้สองขั้นแต่แล้วเมื่อวานมีคนมาบอกว่ามีรุ่นพี่เข้าไปหาผู้ใหญ่ให้แก้ไขชื่อเป็นของเขาโดยจัดการทำทันทีผู้นั้นเกิดความน้อยใจเสียใจที่มาโดนกระทำอย่างนี้ แล้วน้อมจิตเข้ามาดูความพอใจไม่พอใจสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นของมันมันมีของมันช่างมันเถอะแล้วความไม่พอใจก็ลดลงจนหายไปไม่เหลือเลยมีแต่เฉยๆอย่างนี้ถูกตามที่พระอาจารย์เมตตาสอนแล้วใช่ไหมท่านทำท่านหลับความไม่สบายใจได้ก็ถือว่าถูกทางแต่ก็ต้องเห็นอย่างที่พิจารณา ก็คือเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามได้อะไรจะเกิดก็เขาก็เกิดของเขาไปเราเราต้องทำใจนับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าขึ้นหรือลงคำถามข้อต่อไปจากคุณปีเตอร์มองนะครับนับแต่ได้ฟังธรรมอ่านหนังสือของพระอาจารย์และพระกรรมฐาน แล้วน้อมไปปฏิบัติก็ได้ผลว่าจิตเป็นปกติไม่แสวงหาความสุขภายนอกระงับความอยากต่างๆได้พอควรทั้งโลภะโทสะโมหะในการนี้มีคำถามคือขณะนั่งสมาธิมีครั้งหนึ่งจิตพบความน่ากลัวจึงกลัวและตกใจเลยลืมตาออกจากสมาธิเหตุการณ์นั้นคืออะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร คือเหตุการณ์นั้นมันก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเราก็ต้องพิจารณาว่าเป็นอนัตตาเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างคืออะไรจะเกิดเขาก็เกิดเกิดแล้วเขาก็ดับไปหรือไม่ดับก็เป็นเรื่องของเขาสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องปฏิกิริยาของเราถ้าเราเกิดความกลัวหรือเกิดความอะไรขึ้นมาภายในใจที่ไม่ปกติ เราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาระงับความไม่สบายใจความตื่นตระหนอกอันนี้เท่านั้นส่วนสิ่งที่เรารู้เราเห็นนี่เราไปจัดการกับเขาไม่ได้เราไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับเขาสิ่งที่เรากรให้สำคัญ ก, ก็คือความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนถ้ามันไม่ดีมันกระเพื่อมมันทุกข์อย่างนี้ เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางสิ่งที่ทําให้ใจของเรากับเพิ่มทําให้ใจของเราทุกก็คือเราต้องพิจารณาให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เรารับรู้ว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปมีความอยากกับเขาอย่าไปอยากให้เขาหายไปนะ ถ้าเขายังไม่หายไปเรามีความอยากเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือว่าถ้าเขาดีเราชอบเราอยากให้เขาอยู่ไปนานๆพอเขาหายไปเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เช่นเดียวกันฉะนั้นใจของเราต้องเป็นอุเบกขาก็คือวางเฉยรับรู้สักแต่ว่ารู้เฉยๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งเหตุการณ์ภายนอกใจและภายในใจ วิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆนี่เหมือนกันหมดคือใจต้องรู้ทันแล้วปล่อยวางหรือว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องพิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนเราเห็นอะไรเราต้องบอกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นคนเดินมานี่ก็พิจารณาไว้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ว่าเขาเดินมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเขาเดินมาแล้วเาอาจจะเอาเงินมาให้เราห้า้อยหาพัน หรือเขาเดินมาแล้วเขาเอาจจะเอาไม้มาฟาดศีรษะเราก็ได้ให้เราพิจารณาอย่างนี้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนได้เราจะได้ไม่ยึดไม่ติดปล่อยเข้ามาปล่อยเข้าไปถ้าเห็นว่าเขาจะเป็นภัยกับเราถ้าเราหลบได้หลีกได้ก็ควรจะหลบควรจะหลีกหรือว่าถ้าเราอยากจะปล่อยให้มันเป็นไปตามชะตากรรมของเราก็ปล่อยมันไปถ้าถึงเวลาเขาจะมาฆ่าเราเราหนียังไงก็หนีไม่พ้น ก็ปล่อยให้เข้าค่าไปมันก็จะได้จบจบกันไปอย่างนี้ก็ได้ข้อสาคัญขอให้ใจเราเป็นอุเบกขาก็แล้วกันคือปล่อยวางไม่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏให้เห็นให้รับรู้รู้ว่าเขาเป็นเพียงอนิจจังทุกขังอนัตตาและสิ่งที่ก็จะทำลายเราได้ก็คือร่างกายของเราที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน แต่สิ่งที่เ็าทำลายเราไม่ได้ก็คือใจซึ่งเป็นตัวเรานี่เองถ้าใจเรามีอุเบกขามีปัญญาแล้วเขาจะไม่สามารถทำให้ใจของเราทุกได้เลยนี่แหละคือวิธีปฏิบัติรักษาใจอย่างเดียวอย่างอื่นรักษาไม่ได้ร่างกายเรารักษาไม่ได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองรักษาไม่ได้คนคนที่เรารักเรารักษาไม่ได้ถึงเวลาเขาจะไปนี่ไม่มีใครห้ามได้ แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์กับสิ่งต่างๆได้นี่คือวิธีการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อรักษาใจทั้งนั้นคำถามข้อต่อไปจากคุณจีรวันนะครับอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าจิตไม่เคยตายมีแต่ธาตุขันธ์ที่เกิดดับแปลเปลี่ยนไปตามสภาพแล้วจิตนั้นเกิดมาจากไหนตั้งแต่เมื่อไหร่พระพุทธเจ้าก็เคยย้อน อดีตไปดูเหมือนกันทรงแย่จะรู้ว่าจิตเริ่มต้นที่ตรงไหนแต่ทรงย้อนไปกี่แสนกี่ล้านชาติก็ยังไม่เคยเจอจุดต้นกําเนิดของจิตในที่สุดพรองก็เลยยุติการค้นคว้าหาความจริงข้อนี้เพราะว่ามันไม่สําคัญมันไม่จําเป็นที่จะต้องรู้ท่านทรงเปรียบเทียมเหมือนกับว่าท่านยกเรื่องของคนที่ถูกยิงด้วยธนูแล้วมีคนจะมาช่วย เอาธานูออกแล้วรักษาแผลให้คนที่ถูกยิงกลับบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำช่วยไปดูหน่อยได้ไม้มว่าคนที่ยิงเรานี่เป็นใครเป็นลูกใครเป็นสามีของใครฮเป็ น, นชนชาติวันณะอะไรหรือว่าให้ไปดูว่าธานูลูกนี้ทำด้วยไม้อะไรขนขนชนิดไหนเหล็กแบบไหนถ้ามัวแต่ไปหาอ่า หาความรู้เหล่านี้คนที่ถูกยิงทธนูก็จะตายไปก่อนดังนั้นพระเจ้าทรงบอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องเรื่องของจิตว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ให้สนใจว่าตอนนี้มันทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าทุกข์หาวิธีดับทุกข์ให้ได้เท่านั้นจบคําถามข้อต่อไปจะกคุณแพนบํารุงตานะครับจะสอนเด็กอย่างไรให้เชื่อว่าผีไม่มีในโลก ก็พาพาเด็กไปอยู่ในป่าชาด้วยกันคำถามข้อต่อไปจากคุณพิมออนแองเจลนะครับเราสามารถถวายสิ่งที่ไม่ดีถวายเป็นพุทธบูชาได้ไหมเช่นรู้สึกไม่ชอบแม่สามีนึงขอถวายท่านแม่สามีให้เป็นพุทธบูชาเราจะรู้สึกเบาโล่งเหมือนเอา ท่ออกไปจากเราทําทให้ความโกรธเกลียดของเราลดลงใจสบายขึ้นทําคิดแบบนี้จะบาปไหมและถูกต้องไหมเหมือนเราพยายามทําทุกอย่างโดยไม่เกี่ยวกับแม่สามีโดยเราจะนึกเอาเองทําให้เราสบายใจไม่ทราบว่านึกแบบนี้ได้หรือไม่และรวมถึงความไม่ดีต่างๆของเราเช่นถวายความตณีความโลภเงินที่ถูกโกง หรือยืมแล้วไม่คืนขอถวายเป็นพุทธบูชาได้ไหมการทำไม่ดีต่อผู้อื่นนี่มันไม่ได้เป็นการปฏิบัติบูบชามันเป็นการกระทำบาป พ, พระเจ้าทรงสอนให้ทำบุญให้อภัยต่อผู้ที่เขาไม่ดีกับเราด้วยการทำสิ่งที่ดีให้กับเขาเพราะว่าการทำสิ่งที่ดีนี่ จะทำให้ผู้ให้และผู้รับนี้มีความสุขไม่ใช่ในทางตรงกันข้ามทําสิ่งที่ไม่ดีผู้รับก็ไม่มีความสุขผู้ให้ก็ไม่มีความสุขดังนั้นความคิดนี้ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความคิดที่ไม่ควรที่จะปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามก็จะได้ผลอย่างที่พูดนี้คือคนรับเขาก็จะทุกข์ คนให้ก็จะทุกข์เพราะจะไม่สบายใจในภายหลังอาจจะดีใจในตอนต้นที่ได้ทำอะไรที่ถูกใจกับกิเลสของตนแต่ทำภายแล้วในภายหลังก็จะมาพอได้สติมาคิดอีกครั้งหนึ่งก็จะเสียใจเช่นมื่อเช้านี้ก็มีคนหนึ่งมาถามว่าได้พูดในสิ่งที่ไม่ดีต่อบิดาไปตอนนี้ เวลาพูดนั้นไม่รู้สึกอะไรแต่พอมีเวลาได้สติมาคิดตอนนี้มีความเสียใจถามว่าจะทำอย่างไรก็บอกให้กลับไปกราบขอโทษพ่อที่เราได้กล่าวโทษที่เราพูดไม่ดีกับพ่อเสียแล้วเราก็จะได้ความสบายใจกลับคืนมาอย่างคำที่ท่านมีพูดไว้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็จะกลับมาหาเราให้สุขแก่ผู้อื่น กนั้นก็จะกลับมาหาเรานี่คือกฎแห่งกรรมมันเป็นอย่างนี้เราจึงนิยมให้สิ่งที่ดีๆเพราะสิ่งที่ดีๆนี้จะให้ความสุขแก่ผู้รับมากแล้วก็ความสุขที่ผู้รับได้มากนี่ก็จะกลับมาเป็นความสุขของเราเช่นเราเวลาเราทิ้งของที่เราไม่ชอบไปนี้เรามีความรู้สึกอย่างไนหรือเปล่าเรารู้สึกเฉยๆไม่มีความรู้สึกปื้มปิติแต่อย่างใด แต่ถ้าเราสละของที่เรารักไปได้เนี่ยเราจะมีความปลื้มปิติมากเช่นเรารักแหวนวงนี้หรือสร้อยเส้นนี้แล้วพอดีมีโครงการช่วยชาติเนี่ยหลวงตาท่านบอกว่าให้บริจาคทองคำเนีพอเราเอาสละสร้อยทองหรือแหวนทองที่เรารักมากนี้ไปเพื่อเป็นการช่วยชาติได้เราจะมีความสุขมาก ของอนไรที่เรารักมากที่เราเห็นว่ามีคุณค่ามากที่เราเห็นว่าดีมากเนี่ยถ้าเราให้คนคนอื่นได้เนี่ยแสดงว่าเราได้กาจัดความรักความหวงความตณีชซึ่งเป็นตัวที่จะฉุดลากจิตใจของเราให้ไม่มีความสุขพอเราสลัดตัวนี้ออกไปได้แล้วใจเราจะเบาใจเราจะโล่งจะมีความสุข ดังนั้นเวลาให้อะไรจึงนิยมให้ของดนะีเพราะเราต้องการผลดีกลับมาหาเรานั่นเองก็คือความสุขใจเวลาที่เราลักใครนี่เราคิดเวลาจะซื้ออะไรนี่นเราจะซื้อของไม่ดีให้เขาหรือเปล่าเราจะหาของดีที่สุดให้กับเขานะเพราะเรารากเขาเราอยากจะให้เขามีความสุขแล้วนะพอเราให้เขาแล้วเราเรามีความสุขมไหมเรามีความสุข ถ้าเราให้ของไม่ดีแล้วเราจะมีความสุขหรือเปล่าไม่มีความสุขดังนั้นก็ขอให้เข้าใจตามหลักนี้คำถามข้อต่อไปจากคุณหญิงเอนทนะครับมีลูกดื้อเป็นกรรมเก่าหรือเปล่าคะต้องแก้ไขอย่างไรก็เป็นแน่ทั้งสองอย่างอาจจะเป็นจังหวะที่เขามาพาสายท้องเราอยู่คนที่เราไม่เคยรู้จักไม่มีสัตว์มีมีความเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าชาติก่อนเราเคยดื้อกับแม่ก็ได้เ้วตอนนี้ชาตินี้เราก็ตลองเจอคนที่เขาดื้อมาดัดสันดานเราบ้างคำถามข้อต่อไปจากคุณบีหญิงนะครับได้โปรดกรุณาช่วยอธิบายถึงความแตกต่างของอาการอยู่ในภวังกับการอยู่ในสมาธิให้ด้วยเจ้าค่ะมันเป็นคนละสิ่ง คล้ายหรือแตกต่างกันอย่างไรบางครั้งก็ไม่แน่ใจนั่งนั่งไปแล้วตัวเองอยู่ในผวังหรือกําลังมีสมาธิกันแน่คือคําว่าผวังนี้ท่านหมายความอยู่สองความหมายด้วยกันคือผวังหลับกับผวังสมาธิผวังหลับก็คือไม่มีสติไม่รู้สึกตัวส่วนผวังสมาธินี้จะมีความรู้สึกตัวเหมือนขณะที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ มีสติรับรู้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ารู้ว่าใจของเราตอนนี้สงบเย็นสบายไม่คิดไม่ปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นผวังสมาธิเช่นเวลาเรานั่งสมาธิไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วจิตก็วุบลงไปแล้วก็เน่งสงบเรามีสติรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าเป็นผวังของสมาธิถ้าเรานั่งแล้วเรา เราบริกรรมพูดโธไปแล้วอยู่ดีๆพุดโธก็หายไปเราก็หายไปไม่รู้อะไรหายไปหมดนี้ก็แสดงว่าเราเข้าผวังหลับก็มีอยู่สองแบบด้วยกันคําถามข้อต่อไปนะครับจากคุณแมวนะครับการให้นี่มีระดับไหมคะเข้าใจว่าเหมือนจิตก็มีระดับของจิตนึกไปถึงการให้ของพระเวสสันดร เป็นการให้ที่สูงส่งมากยากมากที่จะสามารถพัฒนาการให้ได้ขนาดนั้นทีนี้เรื่องของการให้เท่ากับการฝึกสละก็จะทําให้ค่อยๆสละความหวงแหนทุกอย่างเมื่อเวลาจะจากโลกนี้ไปใช่ไหมก็ทวเจ้าทรงตรัสสอนการให้มีอยู่สมระดับด้วยกันคือให้ทรัพย์นี่ระดับหนึ่งให้อวัยวะอีกระดับหนึ่งแล้วก็ให้ชีวิตี่ สามระดับด้วยกันถ้าเป็นพระโพธิสัตว์นี่ท่านจะให้ขั้นถึงเสียสละชีวิตได้แต่ถ้าเป็นปุถุชนก็จะให้ได้เพียงแต่ทรัพย์หรืออวัยวะเท่านั้นดังนั้นก็อยู่ที่ว่าความปรารถนาของเราว่าเราต้องการสร้างทานบารมีในระดับไหนถ้าเราคิดว่าทานบารมีนี่ เป็นปัจจัยสําคัญต่อการที่เราจะได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทําทานระดับพระโพธิสัตว์คือเมื่อถึงเวลาจะต้องสละชีวิตก็พร้อมที่จะสละได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์เรายังลักตัวกลัวตายอยู่เราก็จะทําได้แค่ระดับปุตุชนไปทําไปเพื่อรอให้ได้มีโอกาสได้เจอกับพระพุทธเจ้า เราอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาเป็นเครื่องมือในการบรรลุธรรมต่อไปแต่เราจะไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ด้วยตนเองเพราะบารมีเราไม่แก่กล้าพอคำถามข้อต่อไปจากคุณเล็กนะครับกระผมนั่งฝึกสมาธิโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกก็รู้สึกว่าดีถูกกับจริต ต่อมาก็ผมป่วยเกี่ยวกับปลายประสาทอักเสบจะมีอาการชาที่เท้าเป็นสาเหตุในการทำสมาธิกำหนดลมไม่ค่อยได้ตลอดจิตจะเที่ยวมาเกาะที่เท้าชาครับเป็นอย่างนี้มาเป็นปีมีวิธีแก้ไขยังไงครับก็ให้พิจารณาดูร่างกายไปแทนก็ได้ดูอาการสาของร่างกายไปก็ได้ดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก หรื อ, อส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ที่ใจของเราสามารถเกาะติดอยู่เหมือนกับตอนที่เราเกาะติดอยู่กับลมก็ให้ใจมีอะไรผูกไว้เพื่อจะได้ไม่ลอยไปตามความคิดตา่ตางๆถ้าใจไม่ลอยใจตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเราดูลมไม่ได้เราลองกําหนดดู อาการสาสิบสองส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ที่เราถูกเจริตกับเราบางท่านก็ชอบดูโครงกระดูกก็เพ่งดูโครงกระดูกไปบางท่านเคยไปดูภาพอสุภะเช่นภาพที่เขาผ่าอกผ่าอะไรออกมาดูแล้วรู้สึกว่าใจเขาเย็นใจสบายเขาก็ดูภาพนั้นไปก็ได้แล้วเลิกถึงภาพนั้นไปแล้วใจก็จะเข้าสู่สมาธิได้ เพราะว่าอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้สงบนี้มีถึงสี่สิบชนิดด้วยกันไม่ใช่มีเพียงแต่พุทธโธหรือมีเพียงแต่อานาปนานสติคือดูลมหายใจเข้าออกดูอาการสาสิบสองอาการใดอาการหนึ่งก็ได้ดูซากศพสิบชนิดอัิดใดชนิดหนึ่งก็ได้เลอจะใช้พรมวิหารสี่ก็ได้เช่นการเจริญเมตตาภาวนาให้ระลึกถึง ให้มีความเมตตาต่อสัตว์ประสัตทั้งหลายก็ได้แล้วแต่ที่เราจะจะทัดหรือจะละลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นละเลึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาไปก็ได้เช่นดูว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็แก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจ็บเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แล้วก็จะเจ็บมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจนในที่สุดมันก็จะต้องตายไป ก็ได้อันนี้ก็เป็นการเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบได้เหมือนกันแล้วแต่จะถูกจริต ก, กับเราเราชอบอย่างไรก็ใช้อย่างนั้นไปข้อสำคัญอย่าปล่อยให้ใจเราคิดไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอย่าไปคิดถึงความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากดูอยากฟังอยา ก, ยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ว่าถ้าเกิดความอยากเหล่านี้แล้วใจจะวุ่นใจจะทุกข์ใจจะไม่สบายคำถามข้อต่อไปจากคุณลักษนานะครับเวลานั่งสมาธิกำหนดที่พุทโธแต่ใจชอบคิดไปถึงเรื่องอื่นๆอยู่เสมอค่ะแสดงว่าสติเรามีกำลังน้อยถ้าเป็นเชื่อก็เหมือนเชือกกล้วยจิตของเราก็เป็นเหมือนลิง เวลาเราจะจับลิงเข้ากรงนี้เราต้องเอาเชือกคล้องคอมันแต่ถ้าเป็นเชือกกล้วยพอมันกระตุกทีมันก็ขาดถ้าเราอยากจะให้มันไม่ขาดเราก็ต้องเอาเชือกไนล่อนอเชือกเส้นใหญ่ๆผูกคอมันวิธีที่จะทําให้สติของเราจากการเป็นเชือกกล้วยมาเป็นเชือกไนล่อนก็คือเราต้องเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาเราหลับเลย เราสามารถเจริญได้ตลอดเวลาเราไม่รู้กันเท่านั้นเองเราไม่เจริญกันแต่ความจริงเราเจริญได้ติงขึ้นมาล้าก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆไปเลยพอเติงขึ้นมาลืมตาก็พุทโธพุทโธลุกเดินเข้าห้องน้ำก็พุทโธพุทโธอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธพุทโธไปอย่างนี้ก็แสดงว่าเรากำลังสร้างสติให้มีกาลังมากขึ้น ถ้าเราพุโทโธแล้วใจของเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอเรามานั่งสมาธิเราก็จะอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเนื่องถ้าอยู่อย่างต่อเนื่องได้ไม่เกินสิบนาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้นั้นขอให้พยายามเจริญสติให้มากๆการนั่งสมาธิที่ไม่ได้ผลกันก็เพราะว่าไม่มีสตินี่เองถ้ามีสติแล้วรับรองได้ว่าต้องได้ผลอย่างแน่นอน คำถามข้อสุดท้ายจากทาง Facebook ประจำวันนี้นะครับที่เหลือขอยกไปพรุ่งนี้นะครับจากคุณจูนนะครับเวลาท่องคำบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจจะรู้สึกไม่สบายปวดหัวแ น, น่นๆที่บริเวณลำคอพอมีวิธีแก้ไหมคะแต่สังเกตเห็นว่าเวลาเดินจงกรมโดยไม่ต้องท่องบริกรรมพุทโธดูเท้าก้าวจิตจะนิ่งเร็วกว่าตนไม่มั่นใจว่า จะนำหลักการปฏิบัติแบบไหนมาปฏิบัติให้ถูกกับจริตตัวเองดีคือถ้ายัางนั่งไม่ได้ก็เดินจงกรมไปก่อนก็ได้เดินให้มันเมื่อยจนกระทั่งมันอยากจะนั่งแล้วลองมานั่งดูแล้วก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้หรือจะใช้การบริกรรมพุทโธไปก็ได้ถ้ายัางใช้ไม่ได้ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ ถ้าสวดมนต์ไม่ได้ลองเปิดธรรมะฟังไปก่อนก็ได้เพราะว่าจิตนี้บางทีมันยังมีกำลังมากอยู่มันยังต้านต่อการควบคุมบางครับก็ต้องให้มันมีอะไรเสพเช่นเสพเสียงธรรมไปก่อนหรือเสพเสียงสวดมนต์ไปก่อนแต่ถ้าเราเดินจงกรมมากๆจนกระทั่งเหนื่อยแล้วสติมีอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเวลามานั่งนี้จะดูลมได้ พราะมันจะอ่อนกําลังลงไปมันจะไม่มีกําลังที่จะมาต้านการควบคุมบังคับของสติได้ดงั้นก็ต้องทดลองดูมันมีหลายวิธีด้วยกันเวลาเริ่มต้นถ้านั่งมันดูลมไม่ได้พุทโธไม่ได้ลองอสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไม่ได้ก็เปิดธรรมะฟังไปก่อนถ้าฟังธรรมะไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินก่อน ทำอะไรสักอย่างไปก่อนฝึกเจริญสติไปก่อนเดินจงกรมก็เป็นการเจริญสติไปในตัวดูเท้าดูการก้าวย่างเท้าของเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปพยายามควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพอเมื่อเดินไม่ไหวก็มานั่งแล้วก็มาดูลมรับรองได้ว่าจะทำได้ต่อไปอย่างแน่นอนไม่มีคาถามอะไรแล้วนะวันนี้ อยงนั้นก็ขอให้ท่านได้เอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดจงก็ขออนุมโมทนากับท่านที่อาสารับหนังสือไปส่งตามไปเสน่และท่านที่ได้เตรียมใส่หอใส่อะไรไว้ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมภายในชาตินี้ Ah oh. ah oh. ah